เ, เมื่อวันที่28สิงหาคมพศ2509ณวัดป่าบ้านตาด จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปนโอการจะเทียบกับน้ำก็เป็นน้ำที่ไสสาดอย่างดี สมควรจะการดาทุบ ด, ดื่ท้ายสย ท, ทุกทุกอย่างนะเกี่ยกับการซักอกหรือเช็ดน้งอะไรน้ำที่สะอาดสามารถที่จะยังสิ่นตะกระตรกทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นมาได้เหลืน้ำที่สะอาด การรับทานก็มีวสศข้าการอาบก็เฉลี่ยเพราะเป็นของที่สะอาดอยู่แล้วอที่มีอะไระกกสกปรกโสโครกภายในร่างกายหรือเปลือช่ายซอยทุกอย่างจิงต้องแสวงหานา้มที่สา มาสำหรับทายาทหรืออาบดินี่เป็นคติธรรมดาของโลกตองมึงต่อ น, น้ำที่สะอาดอยู่เสมอและตลอดมาหลักของศาสนานี้ได้รับการกลันกรองมาจากสมเด็ก ถ้าภูมีพระภาคเจ้าของเราด้วยดีก่อนคือจะสาเร็จเป็นศาสนาธรรมที่ให้ชื่อว่าสวรขาตธรรมคือธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นเป็นธรรมชาติที่ชอบมาตั้งแต่ ผู้เป็นเจ้าของคือพระพุทธเจ้าของเราการบำเพ็ญของพระองค์ท่านก็บำเพ็ญด้วยความละเอียดถี่ถ้วนปรังตรองทุกๆอย่างโดยความประพฤติความประพฤติของพระองค์แม่จะเป็นของละเอียด มาแล้วตั้งแต่จงเป็นกราวาธเพราะเป็นกระตับก็จริงแต่นั้นเป็นประเพณีของโลกความสะอาดก็ย่อมเป็นไปตามแถวโลกนี้เองแต่ยังไม่สามารถจะเป็นของใช้ได้นในหลักธรรมซึ่งเป็นของสะอาดยิ่งกว่าโลก ฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จออกทรงพรเนรเริ่มจากวันสเสด็จออกเป็นอันว่าทรงเริ่มกลั่นกรองความประพฤติของพระองค์ทุกดางทั้งทางพระกายพระวาจาและพระภัยคือใจ ทั้งสามพระทวาร น, นี้ได้รับการกลั่นกรองจากพระพุทธเจ้าเมื่อทรงบำเพ็ญดีตลอดสายไม่มีการลดละเครื่องสนับสนุนที่จะกลั่นกรองพระทวารทั้งสามคือกายวาจาใจนั้นให้เป็นของละเอียดเป็นลำดับลำดับไป ยอมอาศัยความอดทนที่เรียกว่าขันติแปล ว, ว่าความอดทนในหน้าที่ที่พระองค์เห็นว่าจำเป็นสำหรับพระองค์ความเพียรไม่ว่าหนักหรือเบาชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์จะทรงบาเพ็ญแล้ว จะต้องเพียรพยายามดีเสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่จเจริญขึ้นภายในพระไทยยอมจเจริญขึ้นด้วยการกลั่นกรองโดยธรรมะที่กล่าวมาอย่างย่อๆได้จก่ความอดทน ความภาคเพียมความกล้าหาญต่อสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งมีเป็นนิสัยของพระพุทธไตรเจา้าเบื้องต้นก็เป็นนิสัยของท่านผู้มุ่งต่อความเป็นพระพุทธเจา้าเพื่อให สมความมุ่งมั่นปรารถนาของพระองค์จึงทรงทุ่มเทพระกำลังลงโดยไม่มีความเสียดายอะไรในชีวิตการเสด็จออกของพระพุทธทเจ้าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ดิ้งไม่มีใครจะสามารถทำได้อย่างพระองค์ท่านการไปการมาของเรา หรือของโลกทั่วๆไปจะไปที่ใดมาที่ใดย่อมมีความอะไรอาวร์สั่งเสียกันแนวสั่งเสียกันแน่ทั้งน้ำตาหยดย้อยลงไปเพราะความอะไรห่วงใยเช่นลูกจะไปศึกษาต่างประเทศ ลูกผู้ไปก็มีความอะไราอาวร์กับพ่อแม่แนะญาติวงศ์ของตนตลอดถึงประเทศชาติของตนด้วยพ่อแม่ที่อยู่ข้างหลังก็อะไราอาวร์ถึงลูกที่จะไปอยู่หรือไปศึกษาต่างประเทศไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนลูกที่อยู่ทางโน้นก็ห่วงมาทางบ้าน เยือนของตนพ่อแม่ญาติวงศ์ที่อยู่ทางนี้ก็ห่วงลูกหลานของตนที่ไปศึกษาอยู่ในที่นั้นๆ น, น, นี่เป็นคติธรรมดาของโลกที่จะจากกันไปแต่ละครั้งและครั้งย่อมมีความอาวร อ, อะไรซึ่งกันและกันบางรายถึงกับรับทานไม่ได้นอนไม่หลับ่อมี ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งในระหว่างลูกกับพ่อแม่และญาติวงนี้เนี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดมามีเป็นคติธรรมดาของโลกแต่สำหรับพระสิทั ธ, ธ ร, ราชกุมารที่เป็นกษัตริย์เวลาเสด็จออกทรงผนวดไม่ได้ปรากฏว่าได้อาล่าได ล่ำลาท่านผู้หนึ่งผู้ใดในพระราชวังแม่ที่สุดพระชายาคืออัรรมไยเถรีของพระองค์ท่านและทัพปิโยรสได้แก่พระลูกนักของพระองค์ก็ไม่ทรงอําลาสเสด็จออกอย่างอัแบบอัศจรรย์ที่ใครๆไม่สามารถจัะทาได้ และไม่ปรากฏว่าน้ำพระทัยของพระองค์ท่านได้หยดย้อยลงแม้แต่หยดหนึ่งเพราะความอะไรเสียดายว่าหนึ่งไม่ได้ดำ m ลาอําร า, รา ญ, ญาติวงทั้งหลายมีพระชายาเป็นต้นสองทรงศสียดายอาวอนอะไรกับราชบริพาน์และราชสมบัติทุกทุกสิ่งที่อยู่ใน ร่มพระบรารมีของพระองค์แต่ทรงสเสด็จไปอย่างลึกลับตัดพระไทยพระหนึ่งว่าจะเป็นก็เป็นจะตายก็ยอมตายแต่จะไม่ให้ความอะไรอาวรณ์ทั้งหลายมากั้นกลางห่วงห้ามที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการบำเพ็ญของพระองค์ซึ่งมีความมุ่งหวังอย่างแรงกลาง้าให้ลดน้อยหรือขาดสูงไปได้ด้วยอารมณ์อาวรณ์เหล่านี้แล้วเสด็จไปอย่างเงียบๆนี่ก็ชีวะเป็นการตัดพระทัยอย่างยิ่งแสนอดแสนทนคนเราที่มีกิลเลสเป็นเจ้าเรือนอยู่ด้วยกันแล้ว ทไหนจะไม่เสียดายอะไรอาวรนกับจริงที่เคยอยู่เคยอาศัยกับญาติวงที่เกี่ยวข้องกันอยู่เป็นประจำต้องมีความห่วงใ ย, ยอย่างยิ่งถึงกับพระไทยจะแตกกระเด็นไปในเวลานั้นแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีอำนาจกั้นกลางห่วงห้าม ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าและความกล้าเสียสละของพระองค์ได้จนได้เสด็จออกไปเสียจริงๆโดยไม่มีสินใดมาเป็นอุปสรรคขีดขวางพระองค์ท่านได้นี่เราท่านผู้ปฏิบัติควรจะระลึกถึงทางเดินของพระพุทธเจ้า่าเป็นความลำบากยากเย็นแค่ไหน เราไม่ถึงขนาดนั้นหากว่าเราจะทำเช่นนั้นเราจะทำได้หมเมื่อจะเทียบเทียบถึงเรื่องพระองค์ท่านสเสด็จออกไปกับเราออกมาบวชเช่นนี้มีความต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อสเสด็จออกไปแล้วไม่ได้มองเห็นคนสักคนแม้คนหนึ่งที่จะเป็นญาติมิตรสนิทสนม พอที่จะปรุงพระไทยไว้วางกิตวางใจให้กับคนเหล่านั้นเพื่อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันและเพื่ออุปถัมประถาก ด, ดูแลความสุขทุกกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นดูของพระพุทธเจ้าไม่ว่าส่วนภายในและภายนอกในคราวที่เสด็จออกไปแบบอนาถาเช่นนั้น นี่เป็นวาระหนึ่งในเวลาที่บำเพ็ญอยู่ซึ่งเสด็จไปถึงจุดสมควรแก่การบำเพ็ญแล้วนั่นก็เป็นเรื่องลําบากยากเย็นซึ่งไม่มีใครจะเสมอได้เหมือนกันคําว่ากษัตริย์ใครๆก็ทราบเพราะในเมืองไทยเราก็มีกษัตริย์ต่างประเทศก็ยังมีกษัตริย์เหมือนกัน พูดถึงเงัฏฏาบรรดาศักดิ์ชื่อนามกระเดื่องเรื่องดีไปทั่วทุกแห่งทุกคนทำนาจวาสนามีมากคนรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเหตุใดจินสละตนออกไปเป็นคนอนาถาไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะติดตามอุปธรรมประถาดูแลความสุขความทุกข์ความเป็นความตายยุกยาเป็นอย่างไรอาหารการ เสวยเป็นอย่างไรที่อยู่ที่อาศัยเป็นอย่างไรเครื่องชช้ไม้สอยสนหรับบำเป็นพระองค์ให้เป็นไปด้วยความสะดวกเป็นอย่างไรบ้างไม่มีใครจะทราบบรรดา บ, บริษัทบริวารที่อยู่ในพระน้าชวังก็ดีในประเทศที่พระองค์ทรงปกครองอยู่แต่ก่อนก็ดี มีพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทราบเรื่องความเป็นอยู่ของพระองค์ว่าแต่ก่อนเราเป็นกรรษัตริย์มีความสะดวกพระกายสบายพระไทยแค่ไหนเมื่อได้สละออกมาเป็นคนอาถาเช่นนี้มีความลําบากยากเย็นเขินใจแค่ไหนในอิยาบททั้งสี่จะไม่ปรากฏว่าพระสิตทัตตราชกุ ม, มารองค์พร ะ, สะเสด็จออกมาจาก ความเป็น ก, กษัตรินั้นได้รับความสะดวกแม้แต่ไอเดียาบทเดียวจะตรงดำเนินเดินไปไหนก็เป็นแบบอนาถาประทับนั่งอยู่ก็เป็นแบบอนาถาประทับยืนก็เป็นแบบอนาถาประทับสีห์บรรทมก็เป็นแบบอนาถาการเสวยทุกสิ่งทุกอย่างที่ ได้มาด้วยความเป็นคนขอทานก็เป็นความลาบากด้วยกันทั้งสิ่งที่อาศัยทุกด้านหาความสะดวกไม่ได้นี่พระองค์จะทราบได้เฉพาะพระองค์เดียวไม่มีใครจะสามารถทราบได้เหมือนอย่างโสมทั้งทั้งที่พระองค์ก็ทราบมาเราอยู่ที่นี่ ในเอียบททั้งสี่ไม่มีความสะดวกสบายอันใดเลยมีแต่การทรมานตนด้วยสิ่งที่บกพร่องขาดเขินเป็นเครื่องบีบบังคับหยิบช่วยอันใดไม่ได้ตามต้องการเหมือนอย่างเป็นกษัตริย์นี่พระองค์ทราบดีทุกวาระ โปรดได้คำหนึง่งถึงเรื่องพระพุทธทเจ้าผู้เป็นบรมศาสนามีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องสมบูรณ์ภูลสุขจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้พระสิท ธ, ธัตถะเจ้ากุ ม, มารองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่เพื่อความตรับสรู้นั้นให้ได้รับความสะดวกสบายบ้างไม่ปรากฏว่ามีอะไรจะเป็นเครื่องเชิดชูพระไทย จากสิ่งภายนอกให้รับความสะดวกสบายจิตกลายเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมีมุตหลุดพ้นมาได้ด้วยสิ่งทั้งหลายมาพอกพูนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ปรากฏอันใดเลยเหลือแต่ชีวิตกับพระกายเท่านั้นที่ครองกันอยู่อาหารการฉันที่ได้มาจากความเป็นคนขอทานเป็นของที่ ไม่พึงปราถนาทางนั้นสำหรับความที่พระองค์เคยเป็นกษัตริย์มาแล้วแต่จะเป็นของเช่นเดียวกั น, น, ก, น, ก, นกับของที่เขาทิ้งแล้วเชั้นเดียวกับหูดคู่เมื่อเทียบกับพระจิต ธ, ธั ร, ราชกุ ม, มารที่เคยเป็นกษัตริย์มาแล้วและมาเกี่ยวข้องใชยสอยและสวยกับอาหารและเครื่องเครื่องใช้สอยที่ได้มาน มีลักษณะเช่นเดียวกันกับหมุดขุดหรือผ้าขี้ลิว้วผ้าเช็ดเท้านั่นหากว่าการดำเนินของพระองค์ไม่ถูกทำเพราะสิ่งทั้งหลายบกพร่องไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ตามพระภัยที่มุ่งหวังเหตุใดจึงเล็ดลอด ถึงความเป็นพระพุทธทเจ้าขึ้นมาด้วยความอดอยากขาดแคลนเช่นนั้นโปรดท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายคำหนึ่งถึงสระณะของเราว่าพุทธังสนังขัจฉานท่านดำเนินเนินอย่างไรและคำว่าพุทธังสนังขัจฉาน น, น, นี้มีความหมายลึกตื้นแค่ไหนโปรดคำหนึง่งน้อมเข้ามาถึงตัวของเราผู้กาลังเดินตามร่องรอยของศาสนาอยู่นั้นนบัดนี้ ในระยะหกพรรษาไม่เพียงแต่หกวันหรือหกเดือนซึ่งพอจะอดทนกันได้นี้ถึงหกปีที่ได้เป็นคนอาาฐานนับแต่วันเสด็จออกจากความสมบูรณ์พูนผลมาจนถึงวันต ร, รัสสรุไม่มีใครทราบว่าเป็นจะเป็นหรือตายทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความลำบากเช่นนั้น ตลอดเลยล่ะไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนมีความไม่สะดวกด้วยสิ่งอาศัยทั้งนั้นเพราะได้มาด้วยความเป็นคุณขอทานเพราะสมัยเนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีาศาสนาตั้งขึ้นพอที่จะให้คนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์แล้วนำมาบริจาค วัตถุสิ่งของอาหารการบริโภคที่ควรแต่กษัตริย์จะทรงเสวยและใช้สอยได้แต่จะเป็นเรื่องของคนอนาถาจะต้องรับทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันพอเป็นเครื่องหมายของกษัตริย์จะทรงอาหารก็เหมือนมูดเหมือนคู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาใช้ก็เหมือนกระผ้าเช็ดเ ท, ทา้าไม่มีชิ้นดีอะไรเลย ที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกับกระท่อมผีเพราะไม่มีใครเลื่อมใสศาสานาเนื่องจากศาสนายังไม่มีในยุคนั้นเมื่อพระพุทธสิทธิพระสิทธะราชกุ ม, มารทรงเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นแล้วพระองค์จะหาความสะดวกกายสบายพระทัยจากสิ่งแวดล้อมนั้นได้แต่ที่ไหนมีสถานที่พระองค์ ทรงบำเพ็ญเป็นเช่นนี้วิธีที่พระสิทธรรมราชกุมารทรงบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีความสะดวกกาสบายใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่สมหวังเรียกว่าถ้าหากว่าจะคิดเป็นเรื่องโลกโลกก็เรียกว่าเป็นค่าสึกไปเสียหมดอาหารแทนที่จะเป็นที่ ตีติยินดีเห็นมาเป็นอาหารเครื่องรับทานแต่ทรงมองดูแล้วแม้กำลังร่ากายมีความหิหวโหยอยู่ก็ตามถึงกับจะอาเกียรมนี่ในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะของที่นำมานั้นเป็นของที่ต่ำที่สุดตามสมมุตินิยมของโลกนอกจากนั้นยังนานำมา คุกเค้ากันยูในบาทด้วยก็ยิ่งเป็นเหตุให้จิตนาลาใจต่อการเสมอแม้เช่นนั้นก็ไม่นอกเหนือไปจากความพยายามของศิลปศักราชบุรกมานซึ่งดำมีพระไทยสามารถอาจฐานที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ให้พ้นไปได้โดยลำดับได้ เมื่อพิจารณาไม่หยุดด้วยอำนาจแห่งความเพียรด้วยอำนาจแห่งความอดความทนด้วยอำนาจแห่งการไตรตรองโดยพระปัญญาของพระองค์ท่านทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลายเป็นคุณกลายเป็นมิตรกับพระองค์ท่านไปหมดไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นข้าศุกชัตรูแม้จะเป็นมัตุเช่นเดียวกันตลอดมาก็ตามแต่เพราะเนื่องจากพระทัยที่พระองค์ท่าน ตรงไกรกองโดยถูกต้องตามหลักธรรมสิ่งทั้งหลายที่นำมาเป็นประโยชน์สำหรับพระองค์ท่านก็เป็นประโยชน์ตด้จริงจริงการบำเพ็ญเพียรก็ไม่ลดละจะเป็นจะตายที่ไหนที่ไหนยอมเสียสละโดยไม่ต้องเสียดายอดพระกยาหารไม่ทรงสเสวยถึงสี่สิบ้าวันถึงกับ พระโลมาหลุดออกจากพระกายของพระองค์สูบพร้อมลงถึงกับสลบไปถึงสามครั้งนี่เพราะความหมดเปี่ยวหมดแรงพระกายไม่สามารถจะต้านทานตนอยู่ได้นี่จะเป็นความทุกข์แค่ไหน คนเราจนถึงกับสลบแล้วก็ภูดง่ายๆก็คือว่าอันดับที่สองของความตายนั่นเองอันดับหนึ่งคือตายลองลงมาก็สลบถ้าหาักไม่ฟื้นก็ตายกลายเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าของเราเดินมาขนาดนี้มีความทุกข์แค่ไห น, นได้รับความลำบากเพียงใด ในระยะตั้งแต่เสด็จออกมาทรงผนวชจนถึงวันตรัสรกษชิริรวมแล้วได้หกพันปศาเป็นความลำบากแสนสาหัสขนาดนั้นแต่ความเพียรของพระองค์ท่านไม่ทรงลดละไม่ทรงพ้อถอยไม่ทรงคิดถึงปราศาสต ร, ราชวังไม่คิดถึงความเป็นกษัตริย์ที่จะ ย้อนกลับไปครองพระราชสมบัติตามเดิมด้วยความถอยด้วยการถอยความภาคเทียนแต่ฟันผ่าอุปสรรคเกล่านี้ไปโดยลำดับลำดับแม้จะคิดขึ้นศัก์เท่าไรก็พยายามตัดรอนกันให้ขาดสะบันลงในขณะนั้นไม่เหลืออยู่ได้ถึงกับกลายเป็นข้าศึกต่ต อ, อการดำเนินของพระองค์นี่าศาสนาของเราดำเนินอย่างนี้ เมื่อไม่ถอยความเพียรเป็นไปอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาทั้งการยืนการเดินการนั่งการนอนทั้งปีทั้งเดือนทั้งกลางคืนกลางวันทีเลตันหาจะหนาแน่นสักแค่ไหนจะทนต่อความเพียรของพระองค์ท่านไม่ได้ก็ค่อยหลุดลอยไปเป็นลํำดับลาดับเพราะอํานาจของความเพียรเป็นเครื่องกําจัด ถัดจากนั้นก็ถึงความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามีจะเริ่มได้รับความสะดวกสาบายเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจิตเป็นจิตพระพุทธเจ้าเต็มดวงพระกายก็กลายเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าขึ้นมาใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่มีสินใดที่จะมาเกาะเกี่ยว แม้ที่สุดพบชาติที่จะสืบต่อให้เกิดแจกเจ็บตายต่อไปข้างหน้าก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสังหารให้ขาดสะบั้นลงจากพระไทยโดยจิ้นเฉยไม่มีอะไรเหลือจากนั้นก็นำพระศ า, าสนาคือนำความบริสุทธิ์แห่งพ่าไทยกับธรรมะ ที่เกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติไม่ทอถอยนั้นอันเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ซึ่งให้นามะธรรมโมปดีโปกเป็นธรรมชาติที่สว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นออกประกาศแก่โลกทั้งหลายเริ่มต้นก็สอนพระเบนตะวะคีทั้งห้าจนเกิดดวงตาเห็นธรรม ได้ตรัสสรู้ตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อพระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญอย่างไรได้สำเร็จทำเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นมาจนถึงขั้นสุดยอดได้มาจากวิธีใดนำเนินอย่างในใดทรงบำเพ็ญอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรได้รับความลำบากลำบนแค่ไหนพระองค์จะนำธรรมะ ส่วนอื่นที่นอกไปจากวิธีดำเนินและนอกไปจากที่พระองค์รู้พระองค์เห็นมาแสดงแก่สัตว์โลกไม่ได้ต้องนำาสิงที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็ น, เ ค, เ, ปนเคยปฏิบัติมานั่นแหละมาสั่งสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมะที่นำมาสั่งสอนโลกนี้จึงไม่ปรากฏว่ามีธรรมะข้อใดที่นอนอยู่เฉยๆก็ได้สำเร็จประโยชน์ อาหารการฉันให้พอกภูลเต็มปูมแล้วสำเร็จประโยชน์ให้อยู่สะดวกสาบายไม่ต้องทำความภาคความเพียรให้สำเร็จประโยชน์อยู่ที่ไหนคิดอะไรให้ได้อย่างใจหวังให้สำเร็จประโยชน์สำเร็จมรรคผลนิพพานอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะสอนไม่ได้เพราะธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นมาเกิดมาจากความลอดตายของพระพุทธเจ้า เกิดมาจากการปฏิบัติด้วยความยากความลำบากแขนสาหัสเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยอุบายวิธีใดก็ต้องนำอุบายวิธีนั้นมาสอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ารู้ทาด้วยความอดความทนความขยันหมั่นเพียรความขาดแคลนแล่นแค้นกันบานก็นำสิ่งนั้นมาสอนพวกเราฉะนั้นพวกเราผู้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า โปรดได้คำหนึ่งถึงข้อปฏิบัติเรามาสู่สถานที่นี้ไม่ใช่มาบำรุงบำเรอร่างกายไม่ใช่มาบำรุงบำเรอกิเลสตัณหาอาสวะให้พอกพูนหัวใจขึ้นเป็นลาดับลำดับไม่ใช่จะมาดำเนินตามวิถีทางเดินของใจที่เต็มไปด้วยความทะยอทะยานความอยากไม่มีจรินสิตแต่เรามาเพื่อดัดแปลงกายวาจาใจของหนัก ธรรมะพระองค์ท่านทรงดำแสดงมาอย่างไรทรงดัดแปลงพระองค์อย่างไรท่านสอนอย่างนั้นเพื่อเราถ้าเราอยากจะเป็นชิตพระถาคตเราก็ต้องเป็นผู้มุ่งหวังต่ออัตธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้แล้วแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นไัยกับตัวของเราอยู่เวลานี้ให้หมดไปเป็นลำดับอะไรเล่าเป็นไยัยความอยากไม่ว่าความอยากภายนอกไม่ว่าความอยากภายใน สิ่งที่มันมีขอบเขตอันนี้ท่านเรียกว่ากิเลสตัณหานี่แหละเป็นสิ่งที่พ่อพูนหัวใจของพวกเราอยู่ให้อยู่ไม่สบายนอนไม่สบายฉันไม่สบายไปมาที่ไหนไม่สะดวกสบายมีแต่ความทุกข์ความลำบากนี่คือใจที่เป็นฆาศึกต่อตนเองด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจจะไม่ทำบุคคล น, นั้นให้รับความสะดวกสบายได้เลย นอกจากจะนําหลักธรรมะเข้ามาแก้ไขดัดแปลงเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราเป็นผู้มุ่งต่อความเป็นสิทธะโคตแล้วอ้าวทุกข์ก็ให้ทุกข์แบบพระลูกสิทธะโคตจนก็ให้จนแบบลูกสิทธะโคตจะยากลาบากก็ให้เป็นแบบลูกสิทธะโคตไม่ต้องปรากฏตัวเหมือนอย่างแบบที่หมูขึ้นเถียง นี่ไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินมาอย่างไรได้อธิบายให้ฟังแล้วต้องนำธรรมะนั้นเข้ามาใกล้ชิดสนิทกับจิตใจนัดกายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามธรรมอย่าให้เป็นไปตามอนาชี้ธิ์ตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้สำหรับพระเราที่บวชแต่ผิดจากทางดำเนินของพระพุทธเจ้า สถานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วิธีพระพุทธเจ้าดําเนินไม่ดําเนินด้วยความเลือเฟือเบว่อาหารการขบฉันเครื่องใช้เครื่องสอยทุกอย่างที่อยู่หรูหราแต่เป็นสิ่งที่ขาดแทนพรำ ต, ตามกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยความขาดแคลนได้ตรัสรู้ด้วยความทุกข์ความลําบากความจ น, จน ไม่ใช่ได้ตรัสรู้ด้วยความเหลือเัือถ้าเราต้องการให้เป็นความเหลือเัือก็ชื่อว่าผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ฟุ่งเฟอเ้อเหอเหิมหาทางเดินเพื่อรอดไปไม่ได้เราต้องคำหนึน่งเสมอเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างไรท่านก็สอนสาวกสาวกทุกทุกองที่ได้ออกมาจากตระบุนต่างๆมีประคุณกษัตริย์เป็นต้น ท่านเหล่านี้จะไม่นําความรู้สึกจะไม่นําเครื่องประเพณีความรู้หนาความมั่งคั่งสมบูรณ์ทุกอย่างออกมาสู่สาสคยตรกูลคือความเป็นลูกจิตของพระถาคตเตแต่จะปรากฏกายวาจาในทางความประพฤติให้เป็นเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าภาอดยอมอดพระพุทธเจ้าภาอิมยอมอิม่มพระพุทธเจ้าภาทุก ยอมทุกไปตามเอาถึงไหนถึงกันนี่สาวกของพระพุทธเจ้าดำเนินมาเช่นนี้ธรรมสมบัติที่เป็นของมีคุณค่ามากจึงกลายเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นธรรมะอันมีคุณค่าอย่างยิ่งขึ้นมาภายในใจของสาวกจนปรากฏองค์ของท่านเป็นพระอรหันตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านี่ธรรมะชอบเกิดในสถานที่แร่นแค้นกันนาน ชอบเกิดในบุคคลที่ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความอดทนในข้อปฏิบัติแต่จะไม่เกิดในบุคคลประพฤติตามอำเภอใจจะไม่เกิดจากคนกลัวตายจะไม่เกิดกับบุคคลที่กลัวอดกลัวอยากจะไม่เกิดจากกับบุคคลผู้มีความเจียดค้านอ่อนแอแต่จะเกิดกับผู้มีความอาหารรื่นเึิงตายเป็นตายยังก็เป็นยางถ้าได้ดาเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นที่พอใจ นีธรรมะจะเกิดกับบุคคลหรือพระรูปเช่นนี้เช่นนี้เวลานี้เราเป็นพระทุกๆุกท่านไม่ใช่เป็นเด็กปริปุนาวีสติวัตโซซิท่านมีอายุถึงยี่สิบแล้วเหรอความเป็นผู้มีอายุถึงยี่สิบนี้จัดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราเป็นผู้ใหญ่ทุกคนเวลานี้ไม่ใช่เป็นเด็กต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่ และให้สมชื่อสมนามว่าเราเป็นพระซึ่งเป็นที่กราบไหว้ของโลกบูชาของโลกทำอย่างไรจึงจะเป็นที่กราบไหว้บูชาของโลกเราต้องทำตัวของเราให้เป็นแบบฉบับสำหรับเราด้วยดีเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นแบบฉบับด้วยดีแล้วก็เป็นแบบฉบับของโลกได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแสาวกบุงคเราได้ทำความลมเย็นแก่โลกตลอดมาจนสมยัย ป, ปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่า ได้ลดคุณค่าแห่งธรรมที่ประกาศสอนไว้แม้แต่น้อยขอให้ทุกๆท่านได้นำไปไก่กรองเวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ทุกคนให้คำนึงถึงธรรมะมากกว่าชีวิต จ, จิตใจมากกว่าลิ้นกว่าปากมากกว่าอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใ่าเครื่องสอนอะไรจะบกพร่องไปก็ขอให้เป็นไปตามเรื่องคติธรรมนาไม่ว่าเราอยู่โลกไม่ว่าเราอยู่ทางธรรมะ ไม่ว่าเราจะอยู่นอกประเทศในประเทศไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านหรือออกไปนอกบ้านสิ่งที่บกพร่องขาดเขิอนย่อมมีไปทั่วๆไปใครอยู่ที่ไหนเรื่องอเนจังคือความไม่เทีย่ยงย่อมแปลสภาพให้เห็นประจักษ์อยู่กับตารู้อยู่ด้วยใจเหมือนๆกันหมดเราจะไปตื่นเต้นกับความบกพร่องขาดเขิ่นอะไรเพราะเราเป็นพระควรจะเป็นเพศติพนิพพิแกณา ให้รู้เรื่องของความบกพร่องขาดเฉยให้รู้เรื่องของความสมบูรณ์พูนสุขตามสถานที่นั้นๆที่มันปรากฏ ต, ตัวขึ้นมานี่เราจะได้ปัญญาเพื่อการประพฤติปฏิบัติตัวให้มีความรับรู้ได้ไม่ตื่นเต้นกับความบกพร่องหรือความขาดเฉยหรือความสมบูรณ์นี่นี่แหละจิตของพระเป็นอย่างนี้จิตของประธานก็เป็นอย่างนี้เราต้องคํานึงเสมอถ้าปฏิบัติแบบตามหลักธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้ว ใจจะไม่พ้นดีสัยแห่งการทรมานของเราให้ได้ต้องหายพยศการที่ใจมีพยศไปเรื่อยๆเนื่องจากการส่งเสริมใจถ้าเรามุ่งมาจะเป็นผู้เห็นแก่กิจใจเห็นแก่อัด จ, จะทํรแล้วเราต้องถือความอยากความทะเยอทะยานถือความฟุ้งเฟ้อเหวีเป็นภัยต่อเราแต่เราจะถือความสงบ ความสะดวกในการปฏิบัติธรรมความอดทนความภาคความเพียรเป็นมิตรเป็นสหายภายในจิตใจและความประพฤติของเรานี่ชื่อว่าผู้จะดำเนินตามแถวธรรมะของพระพุทธเจ้าดั่นี่พระพุทธเจ้าสอนบร ร, รดาสาวกก็สอนอย่างนี้ที่นี่ครูบาอาจารย์ซึ่งได้รับถ่ายทอดมาเป็นลําดับๆท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกเคยได้ยินเสมอครูบาอาจารย์ ท่านองค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามถึงเป็นที่กราบไหว้บูชาเคารพนับถือของประชาชนทั้งฝ่ายพระและคารวะท่านองค์นั้นโดยมากมีแต่ความลําบากลําบนไปอยู่ในป่าในเขาหาที่อะไรจะขบจะฉันก็ไม่ได้ก็มีแยะเอ อ, อยู่ด้วยความลําบากลําบนแต่เรื่องธรรมะท่านไม่ขาดถึงเอาจะลําบากก็เป็นทำเครื่องสอนเอาจะทุกข์การบําเพ็ญธรรมะไม่ลดละท่านก็รู้ก็เห็นธรรมะ เพราะอำนาจแห่งความอดทนเช่นนั้นนี่มีกับครูบาอาจารย์ท่านนำนินมาอย่างนี้เราเป็นสิทธิที่มีครูควรจะมองดูครูของเราเราอย่ามองดูความทะเยอทยานอยากภายใน จ, ใจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่พอกพูนและเป็นสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้มาเป็นครูสอนเราสิ่งเหล่านี้จะชักจูงเราให้ท่าจากคุณงามความดีไปได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าเราต้องการเป็นคนดี เราโง่เราต้องหาคนผู้ฉลาดมาเป็นครูสอนเรานําอุบายจากท่านมาเราที่เกียรตเราก็หาอุบายจากท่านผู้ที่ขยันหมั่นเพียรมาสอนตนเองเราเป็นคนฟุ้งเฟอ้อเหิมก็หาอุบายจากท่านผู้สงบเรียบร้อยผู้พ้นจากทุกมีจิตใจอันสําเส ม, มอมาเป็นครูสอนเราอย่างนี้ชื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อทำจริงๆเราไมาในมาปฏิบัติธรรมเพื่อโลกซึ่งผลกับเนี่ยจากแนวทางของพระพุทธเจ้า มีการอธิบายเรื่องการดําเนินของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระศาสนามาเป็นลนํำดับและอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ควรจะแสดงตามธรรมดาผมก็ไม่ได้ยกเรื่องของผมติดแสดงแต่นี้จะแสดงในฐานะเป็นกันเองอย่างตัวผมเองที่บําเพ็ญมาตั้งแต่หยุดจากการศึกษาเราเียนมาแล้วก็เข้าดูตามป่าตามเขาความ อ, อกอดความอยากความหิวความโหยผมไม่ถือเป็นประมาท สถานที่ใดเป็นสถานที่บำรุงบำเลอสถานที่คนมีความเคารพนับถือมากในเวลาที่เรากำลังเล่นความผภาความเปลี่ยนสถานที่นั้นเห็นว่าเป็นไผยไม่สะดวกแก่การบำเพ็ญ น, นั่นแลชื่อว่าเป็นไัยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนเหล่านั้นมาฆ่ามาตีดีโบยเราอย่างไรเพราะสกการะโลปุยสังหารติราบสกการะนั่นแลถ้าเราไม่รอบคอบจะเป็นเครื่องบันทอนหรือฆ่าเราให้ เสียจากคุณงามความดีไปก็ได้นี่เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญในสถานที่ใดบ้านใดเมืองใดที่มีคนเคารพนับถือมากจึงต้องหลีกเว้นไปเพื่อหาสถานที่เหมาะเจาะกับการบำเพ็ญของตนเช่นในป่าในเขาไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาไปอย่างนั้นจะกจินจะอยู่จะเป็นยังไงอะไรขาดตกบกพร่องอะไรมีหรือไม่มีเขาไม่มาสนใจกับเรานอกจากถึงเวลาเราบินฑมาต เขามีอะไรเขาก็ให้ตามเรื่องของเขาข้าวเ ป, ปล่าเอามาฉันไม่เป็นไรฉันแล้วมันสบายปากท้องเรามันเบามันรู้สึกผีโหยแต่จใจรู้สึกอิ่มธรรมะแต่ถ้าวันไหนมีอาหารมากๆฉันลงไปธาตขันมันได้เต็มภูมิของมันแล้วกลายเป็นหมูขึ้นเขียงไปภาวนาไม่ได้ร่วงได้ลาอะไรเราก็ทําความเข้าใจไว้ว่านี่วันนี้เราให้ฉันอย่างเต็มที่แทนที่จะเป็นประโยชน์ในการบําเพ็ญเพียรกลับมาเป็นค่าสิทิ์ต่อการภาวนาที่ง ทำความลับทราบมาอย่างนี้ต่อไปก็ลดถอยลงไปเป็นลําดับถึงกดบ้างากกี่วันก็ตามเอาจะตายก็ตายในขณะที่จะบําเพ็ญตายด้วยการบําเพ็ญธรรมะไม่มีอะไรเสียหายนี่การดัดแปลงตัวเองดัดแปลงมาอย่างนี้เป็นลําดับลาดับมากว่าจะมีอัดทำแสดงให้หมู่เพื่อนตามสติกำให้เพื่อนหมู่เพื่อนฟังตามส ต, ติกาลังก็ได้ดําเนินมาอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ใช่มาโอ้อวดคุยให้หมู่เพื่อนฟังเฉยๆในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ก็ย่อมถือลูกศิษย์เหมือนกับลูกในหัวอกของตนมีอย่างไรก็ละบายออกมาให้ฟังเพื่อให้เป็นคติเพื่องเตือนใจของท่านที่กําลังนำนยิยจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดความกล้าหาญจะไม่เป็นผู้กลัวพี่ขาดหวาดเผิวต่อชีวิตต่ออาหารการกินต่อปากต่อท้องซึ่งไม่ใช่ทางดําเนินของพระพุทธเจ้า โปรดได้พากันนำาปที่แิพพานาจิตใจถ้าได้รับการอบรมได้รับการฝึกฝนได้รับการประมานให้เดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคือแนวทางแห่งธรรมะอยู่เสมอโดยไม่ปล่อยหรือดวมตัวให้คิดไปแบบโลกโลกตามที่จิตที่เคยคิดและชอบใจมาเป็นประจำแล้วนั้นจะมีทางจะเดินรุ่งเรืองไปเป็นลาดับสีเหลิอจะนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูก จะแตกทลายลงไปด้วยอนานาจแห่งความเพียรนี้ไม่หนีจากความเพียรไปได้นั้นโตรดให้พากันพิิจพิจารณากิเลส จ, จะหนาเท่าไร่ถ้าความเพียรมีอยู่เราไม่ต้องตกใจจะต้องเหงือดแห้งเป็นลํำดับําัๆขอแต่อย่าถอยความเพียรเท่านั้นเรื่องคัมมัมมัชชิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, งอไนไว้นั้นไม่มีต้นไม่มีตายเป็นศูนย์กลางแห่งความจริงอยู่เสมอใครปฏิบัติจริงใครทําจริงดําเนินจริง พิจารณาจริงภาวนาจริงทำจริงย่อมสาเห็นของจริงเป็นขั้นๆไปจนกระทั่งถึงเห็นของจริงอันสุดยอดที่เรียกว่ามัธติมาโดยหลักธรรมชาติได้จะจิตเป็นศูนย์กลางของความจริงตัวของจิตก็จริงสภาพทั้งหลายจิตก็เห็นตามเป็นจริงไปหมดไม่มีจริงใดที่จะเป็นค่าสึกต่อกันนั่นเป็นจิตที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เนื่องมาจากการดัดแปลงสึกผลตนโดยไม่มีความย่อท้อนี่หลักการดําเนินเพื่อ ความเป็นสาระในชีวิตของเราผู้เป็นเพศแห่งพระซึ่งเป็นเพศที่โลกกล่าวไหวบูชาจงทำความกร้าานให้เป็นที่เคารพนับถือเป็นคติเครื่องสอนใจเขาทุกอย่างชื่อว่าพระแล้วย่อมเป็นแบบฉบับของโลกของโลกได้ดีได้อย่างดีถ้าเราปฏิบัติตามแบบตามแบบของพระนอกจากจะให้เทศเป็นพระการปฏิบัติตลอดถึงความรู้สึกภายใน ใ, ใจกลายเป็นโลกไปเสียเท่านั้นจะไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่อง ติดจิตติดใจและเป็นสาระแก่กสารให้เป็นประโยชน์แก่ตนและโลกใด้เลยนี่วิธีปฏิบัติได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นสาวกท่านก็ปฏิบัติมาแบบที่กล่าวนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แม้นี้ิจตะเกียก์ตะกายสอนหมู่อยู่เป็นเวลาหลายปีก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เหมือนกันลอดตายแล้วก็ได้มาสอนหมู่เพื่อน นีแค่ไหนผมไม่เคยปิดบงังนี้ลับกับหมู่เพื่อนสอนให้เต็มความสามารถเปิดเผยไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะเราถือเป็นเลือดเนื้อกันเองขอให้พากันนำไปคลินิกพิการจะเป็นประโยชน์แก่เราที่ได้ก้าวเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแม้จะเป็นการเวลาก็ตามธรรมะส่วนใดที่เราควรจะนำไปปฏิบัติให้สม ควรแก่ธรรมะของเราก็โปรดได้นำไปปฏิบัติเราจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในทางโลกเพราะธรรมะที่สอนโลกก็มีสอนพระก็มีสอนเด็กก็มีมีทุกชั้นสำหรับธรรมะเช่นเดียวกับยามีทุกๆประเภทเกี่ยวกับโรคมันหลายประเภทเพื่อให้ทันกันเช่นนั้นฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมน้หวังว่าท่านที่มีความใคร่สนใจต่อการปฏิบัติ ทั้งหลายจะได้นำธรรมะที่อธิบายนี้เข้าไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตนเองตามแฉแห่งธรรมะที่พระพุทธทเจ้าทรงแสดงไว้และผลที่จะพึงเป็นเครื่องสนองข้อปฏิบัติอันดีของท่านทั้งหลายอย่างไรก็ไม่ต้องสงสัยย่อมเป็นปัจจัยเครื่องหนุนกันเป็นลําดับําัๆจนสามารถให้บุบพ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งธรรมนี้เจียมขออนุญาตธนา องสมเด็จพระภูมิพระภาคจเจ้าพร้อมทั้งกระธรรมและพระสงฆ์มาตามคุ้มครองทางทั้งหลายให้เด็กปฏิบัติตนด้วยความสะดวกกายสบายใจและให้ถึงจิบหมายปลายทางตามความมาประรานาโดยทุนากันเธอ